สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิลปิบาลนะครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในประเด็นที่20ครับประเด็นที่20ในเช้าวันนี้คือความสมดุลในเรื่องของการสั่งสอนทางจิตวิญญาณและการบริหารจัดการครับพระเจ้าของพระเจ้าในเช้าวันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมโรมบทที่12ข้อ7และข้อที่8โปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้า ถ้าเป็นการปฏิบัติก็จงปฏิบัติถ้าเป็นการสั่งสอนก็จงสั่งสอนถ้าเป็นการเตือนสติก็จงเตือนสติถ้าเป็นการบริจาค ก, ก็จงให้ด้วยใจกว้างขวางผู้ที่ครอบครองก็จงครอบครองด้วยเอาใจใส่ผู้ที่แสดงความเมตตาก็จงแสดงด้วยความยินดีโปรดฟังอีกครั้งครับถ้าเป็นการปฏิบัติก็จงปฏิบัติถ้าเป็นการสั่งสอนก็จงสั่งสอน ถ้าเป็นการเตือนสติก็จงเตือนสติถ้าเป็นการบริจาค ก, ก็จงให้ด้วยใจกว้างขวา ง, วางผู้ที่ครอบครองก็จงครอบครองด้วยเอาใจใส่ผู้ที่แสดงความเมตตาก็จงแสดงด้วยใจยินดีพี่นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าในพรชนะของพระเจ้าเช้าวันนี้ในโรมบทที่12นี้ได้สะโขบเรื่องของการสั่งสอนและการครอบครองการครอบครองนั้นภาษา กรีกภาษาเดิมก็แปลว่าการบริหารจัดการครับการดูแลงานของพระเจ้าพี่น้องครับถ้าเป็นการสั่งสอนก็จงสั่งสอนผู้ที่ครอบครองก็จงครอบครองด้วยเอาใจใส่ท่านศาสตราจารย์ดรฟิล์ดเหงนั้นได้ให้ความเห็นและตีความหมายพระคมพีตอนนี้ว่าเราจะต้องมีความสมดุลในด้านการสั่งสอนทางจิตวิ ญ, ญญาณและการบริหารครับ พี่น้องครับภายในคริสจักรการเทศนาสั่งสอนถือว่าสำคัญที่สุดนีด่เป็นสิ่งที่ดีแต่ในขณะเดียวกันครับการบริหารจัดการการปกครองและธุรการต่างต่างก็ต้องได้เหมือนกันคือต้องดีเหมือนกันการบริหารและการดูแลการครอบครองด้วยการเอาใจใส่นั่นแปลว่าจะต้องมีประสิทธิภาพประสิทธิผลดีครับบางคริสจักรนั้นก็ ทำพลาดไปนะครับเทศนาสั่งสอนดีแต่บริหารไม่ดีบางคริสจักรนั้นก็บริหารดีแต่ว่าสั่งสอนชีวิตไม่ได้มันก็เลยวุ่นวายสับสนครับกลายเป็นอุปสรรคเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามครับระมัดระวังอย่าให้คริสจักรนั้นกลายเป็นองค์กรที่มีแต่การบริหารเน้นเรื่องการบริหารจัดการเน้นเรื่องกฎระเบียบอย่างเดียวโดยที่ไม่สนใจจิตวิญญาณและในขณะเดียว ก, กันครับ ถ้าว่าโบสถ์ไหนคริสตศักร์ไหนหรือองค์กรสถาบันไหนที่มีจิตวิญญาณเราก็ต้องเน้นเรื่องการบริหารครับเพื่อที่จะได้ไปด้วยกันมีความสำคัญและต้องสมดุลกันด้วยที่นัครับในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันครับในขณะที่เรามีจิตวิญญาณที่ดีเราต้องมีวินยัยมีการบริหารจัดการชีวิตในการทำสิ่งต่างๆในแต่ละวันให้ดีนะครับ ชีวิตก็ไม่สับสนวุ่นวายครับในขณะเดียวกันเราเองนั้นจะต้องไม่เน้นธุรกิจมากเกินไปโดยลืมจิตวิญญาณครับบริหารมากเกินไปโดยที่จิตวิญญาเราไม่ได้นั่นคือส่วนของชีวิตส่วนตัวของแต่ละท่านแต่ละคนในชีวิตส่วนตัวนั้นเราจะต้องมีความสมดุลความสมดุลอยู่ที่ไหนผมได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าเราอาจจะมีนิยาม เราให้ความหมายความสมดุลแต่ละคนแต่ละท่านต่างกันครับสมดุลของผมอยู่ที่จุดหนึ่งแต่สมดุลของอีกท่านหนึ่งก็อยู่ที่จุดหนึ่งไม่เหมือนกันพี่น้องครับเราต้องเอาพระชนะของพระเจ้ามาเป็นตัววัดนะครับในขณะเดียวกันความสมดุลในแต่ละด้านแต่ละด้านที่ได้กล่าวมาแล้ว21ประเด็นนะครับ21ประเด็นจะทำให้เราจะต้องหมั่นตรวจสอบทุกวันครับว่าเรามีความสมดุลในแต่ละเรื่องแต่ละอย่าง มากน้อยแค่ไหนพี่น้องครับขอพระเจ้าทรงเพิ่มเติมกำลังเสริมกำลังพี่น้องให้ได้มีความสมดุลในแต่ละด้านเราต้องคิดเสมอว่าชีวิตของเรานั้นต้องมีความสมดุลสมดุลในสิ่งต่างๆสมดุลในเรื่องของสิ่งที่อาจจะอยู่ซ้ายขวาตรงกันข้ามกันนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีพี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับแต่อย่าไปสมดุล ระหว่างความดีกับความชั่วครับพี่นนท์ครับชีวิตของเราต้องบริสุทธิ์พระวจนะพระเจ้าได้ให้เป้าหมายให้กับชีวิตของเราว่าเราต้องบริสุทธิ์นะครับไม่ใช่สมดุลระหว่างความดีความชั่วก็คือสีเท่าๆนั่นคืออันตรายครับอันตรายแล้วก็เราเองนั้นจะต้องยึดมั่นปักแน่นในหลักการพระวจนะของพระเจ้านะครับอะไรที่เป็นความจริงสมบูรณ์นะครับหรือความถูกต้องนะครับหรือสิ่งที่เป็นอุณโมคติสมบูรณ์ แบบเราจะต้องยึดไว้ให้มันครับเราอย่าปณนีประนอมกับโลกแล้วอ้างว่าชีวิตของเราสมดุลไม่ใช่ครับอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งพี่น้องครับขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องที่ทุกที่รักทุกท่านในการที่จะมีชีวิตที่สมดุล น, นะครับระหว่างความดีทั้งหลายและในขณะที่เรามีชีวิตที่สมดุลระหว่างความดีนะครับการดูแลจัดการสิ่งต่างชีวิตของเรานั้นก็จะมีความสุขครับ และเราจะรู้ว่าเป้าหมายหลักที่พระเจ้าให้กับเราเป้าหมายหลักที่พระเจ้าให้กับเรานั้นคืออะไรเราก็จะมุ่งหน้าเดินต่อไปด้วยความพยายามด้วยความอุตสาหด้วยความเข้มแข็งและด้วยความอดทนครับสุดท้ายนะครับพี่น้องครับผมอยากจะสรุปนะครับทั้ง21ประเด็นของความสมดุลให้กับพวกเราในเช้าวันนี้ครับประเด็นแรกก็คือความสมดุลระหว่างความซื่อสัตย์ กับความฉเฉลียวฉลาดการมีสติปัญญากับเราเองนั้นจะต้องซื่อสัตย์ในขณะเดียวกันครับต้องฉลาดประการที่2ครับเราจะต้องมีความสมดุลระหว่างของประธานของพระวิญญาณบริสุทธิ์และผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ประการที่3ครับเราจะต้องมีความสมดุลระหว่างความรู้และจิตวิญญาณครับความรู้และจิตวิญญาณประการที่4ครับ เราจะต้องมีความสมดุลระหว่างความการมี ified. คุณภาพและปริมาณคุณภาพและปริมาณครับประการที่5ครับเราจะต้องมีความสมดุลระหว่างความยำเกรงพระเจ้ากับความปิติยินดีความยำเกรงพระเจ้ากับความปิติยินดีครับประการที่6ครับเราจะต้องมีความสมดุลระหว่างจิตวิญญาณ จิตใจและพิธีการภายนอกนะครับจิตใจและพิธีการภายนอกประการที่7ครับเราจะต้องมีความสมดุลระหว่างความเคร่งครัดและความชื่นชมยินดีความเคร่งครัดในความชื่นชมยินดีประการที่8ครับเราจะต้องมีความสมดุลระหว่างการอธิษฐานการอธิษฐานและการกระทําการทํางานนะครับประการที่9กครับ เราต้องมีความสมดุลระหว่างการมอบฉันทะกับการภาคเพียนมุ่งไปสู่ความเกาวน์นาการมอบฉันทะและการภาคเพียนมุ่งไปสู่ความเกาวน์นาประการที่สิบครับเราจะต้องมีความสมดุลระหว่างมือของมาธาและหัวใจของมารีเราจะต้องมีความสมดุลระหว่างมือของมาธาคือการมือแห่งการปฏิบัติรับใช้และหัวใจแห่งการเชื่อฟังของมารีนะครับ ประการที่11ครับเราจะต้องมีความสมดุลระหว่างความเด็ดขาดความเข้มแข็งกับการหันหน้าเข้าหากันความเด็ดขาดเข้มแข็งกับการหันหน้าเข้าหากันประการที่12ครับเราจะต้องมีความสมดุลระหว่างความสามารถความสามารถและกรรมวิธีหรือวิธีการครับความสามารถและกรรมวิธีวิธีการทั้งหลายพี่น้องครับ สมดุลที่13ครับความสมดุลระหว่างระบบของพระเจ้าและการเป็นประชาธิปไตยของมนุษย์ระบบของพระเจ้าและประชาธิปไตยของมนุษย์ประการที่14ครับเราจะต้องมีความสมดุลระหว่างการเอาใจใส่สังคมกับการประกาศข่าวประเสริฐการเอาใจใส่สังคมก็คือการทำสังคมสงเคราะห์นะครับแล้วก็การประกาศข่าวประเสริฐสมดุลที่15ครับ เราจะต้องมีความสมดุลระหว่างผู้กระทําและผู้ถูกกระทําผู้กระทําและผู้ถูกกระทําผู้กระทําก็คือพระเจ้าครับผู้ถูกกระทําก็คือเรานะครับประการที่16ครับความสมดุลระหว่างการดําเนินชีวิตในคริสตจักรและการดําเนินชีวิตในครอบครัวครับการดําเนินชีวิตในคริสตจักรและการดําเนินชีวิตในครอบครัวประการที่17เราจะต้องมีความสมดุลระหว่างความร่าเริงชื่นชมยินดี สภาพปรากฏตามความเป็นจริงสถานการณ์ตามความเป็นจริงครับประการที่18ครับเราจะต้องมีความสมดุลระหว่างความเชื่อและความถ่อมใจความเชื่อและความถอมใจประการที่19เครับเราจะต้องมีความสมดุลระหว่างความตั้งใจความมุ่งมั่นกับความเกี่ยวพันกันคือการร่วมทาการกันร่วมทางกันร่วมสามัคคีทำกัน และประการที่2ี่ความสมดุลในเรื่องการสั่งสอนทางจิตวิ ญ, ญญาณและการบริหารครับและประการสุดท้ายความสมดุลระหว่างความเข่งครัดเที่ยงตรงกับความอ่อนโยนละมลละมมพี่น้องครับหากพี่น้องต้องการทบทวนนะครับก็เปิดเข้าไปฟังนะครับ่ 21. ความสมดุลนะครับ 21. ความสมดุล21บประการของความสมดุล ประเภทต่างๆครับขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน